ตอนที่90้าคนจากตระกูลหลีมาเยือนเมื่อก่อนท่านนิยมรับพวกเราไม่ใช่หรือตอนนี้กลับมาแสดงท่าทางเป็นพ่อที่ดีให้ใครดูที่นี่ไม่มีผู้ชมเสียหน่อยหลหวานยกมือขึ้นลูกปล่อยผมที่ข้างหูพลางกอดอกและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าออกมาทำงานเพราะความต้องการของข้าเองสิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในอนาคตท่านไม่ต้องมายุ่ง เจ้าเพิ่งขึ้นมัธยมปลายเป็นช่วงเวลาที่การเรียนตึงเครียดที่สุดควรจะคว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อตั้งใจเรียนไม่ใช่มาทำเรื่องไร้สาระพวกนี้โจเจี้ยนเ ย, ย่เอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจังข้ารู้ว่าเจ้าคงไม่ฟังข้าแต่ข้าเป็นพ่อของเจ้าข้าไม่มีทางทำร้ายเจ้าจะลองกลับไปทบทวนดูให้ดีอีกครั้งได้หรือไม่โจเจี้ยนเ ย, ย่รู้สึกขึ้นมาทันทีว่าหลีชิงถิงช่างสั่งสอนลูกไม่เป็นเอาเสียเลยหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะตอนนี้กำลังตั้งครรภ์จึงไม่มีเรี่ยวแรงเหลือพอจะมาดูแลเสี่ยวหวาน ลิวันเป็นถึงจ้วงหยวนการสอบเข้ามัธยมปลายต้นกล้าที่ดีเช่นนี้ย่อมต้องได้รับการฟูมฟักอย่างดีจะปล่อยให้เสียของไม่ได้เด็ดขาดมิเช่นนั้นหากเสียใจภายหลังก็คงสายเกินไปหลิวเคอเคอร์ได้ยินสิ่งที่โจจี้นเย่ยพูดแล้วในใจก็รู้สึกไม่สบายนักนามีความเห็นแก่ตัวที่ไม่อยากให้โจเจี้นเย่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับพวกนางอีกท่านพูดจบหรือยังลิววันเอ่ยขัดจังหวะด้วยความไม่พอใจ ถ้าพูดจบแล้วข้าจะกลับบ้านคำพูดที่ท่านพูดกับข้าเมื่อครูห้ามไปพูดกับแม่ของข้าเด็ดขาดตอนนี้แม่ของข้ามีความสุขดีและไม่อยากเห็นหน้าท่านไม่อยากมีความผูกพันใดๆกับท่านอีกเสียหวานถ้าเจ้าไม่ฟังที่ข้าพูดข้าจะไปคุยกับแม่ของเจ้าเองเจ้าไม่ได้เป็นแค่ลูกสาวของนางแต่ยังเป็นลูกสาวของข้าด้วยในฐานะพ่อแม่พวกเราต่างมีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบต่ออนาคตของเจ้าหลิวเคิรเคิร์กำมัดแน่นจนข้อนิ้วซีดขาว โจเจียนเ ย, ย่ไม่ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของหลิวเคอเคอที่อยู่ข้างกายสายตาของเขาจดจ่ออยู่เพียงแค่ที่หลิวหวานเท่านั้นเสี่ยววานเจิ้งเซาเหิรงขี่จักรยานมาหยุดลงข้างกายหลิวหวานกระทันหันเขาจ้องมองโจเจียนเย่ยและหลิวเครอรเคอด้วยความระแวดระวังแต่กลับเอ่ยถามหลิวหวานว่าเสี่ยววานสองคนนี้ไม่ได้รังแกเจ้าใช่ไหมเปล่าจ้าหลิวหวานขยับตัวขึ้นนั่งบนเบาะหลังจักรยานอย่างคล่องแคลว่วนางยื่นมือไปจับชายเสื้อของเจิง้งเซาเหงิง ที่จะกลับบ้านไปกินข้าวกันเถอะคุณย่าบอกว่าเย็นนี้จะตุนซี่โครงหมูค่าหิวจะแย่แล้วเจ้งเศร้าเหิงออกแรงถีบจักรยานพุ่งทะยานออกไปไกลทันทีเจี้ยนเย่คนเขาไปไกลแล้วพวกเราก็รีบปรับกันเถอะเดี๋ยวพอมืดแล้วทางจะเดินลําบากหลิวเคอเคอ ร, เ, ครเ อ, อ่ยเตือนสติโจเจี้ยนเย่เบาๆไม่ให้ยืนมาอยู่ตรงนี้ยืนนานขนาดนี้จนขาชาไปหมดแล้วโจเจี้ยนเย่ดึงสติกลับมาอย่างใจลอยเคอเคอร์เอาอย่างนี้เจ้ากลับไปคนเดียวเถอะข้าไม่อยากไปแล้ว วันนี้โจเจี้ยนเย่ยกับหลิวเคอเคอตกลงกันไว้ว่าจะกลับไปกินข้าวที่บ้านตระกูลหลิวเดิมทีในใจของโจเจี้ยนเย่ยก็ต่อต้านการไปบ้านแม่ยายอยู่แล้วแต่ทนลูกตื้อของหลิวเคอเคอไม่ไหวสีหน้าของหลิวเคอเคอเปลี่ยนไปทันทีทำไมละ่ะเมื่อกี้ตอนอยู่ที่บ้านท่านรับปากข้าวว่ายังไงจะมากลับคำไม่ได้นะโจเจี้ยนเย่ขมวดคิ้วด้วยความรำคาญไม่ใช่ว่าข้ากลับคำแต่ข้าไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรพ่อแม่ของเจ้าไม่ได้ต้อนรับข้าเลยสักนิดทำไมข้าต้องไปให้เขาปั้นปึงใส่ด้วย ถ้าเจ้าอยากไปก็กลับไปเองเถอะใช่ว่าเจ้าจะไม่รู้จักทางกลับบ้านเสียหน่อยถือโอกาสนี้กลับไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่เจ้าให้ดีๆไว้รอให้พ่อแม่เจ้ายอมรับข้าเมื่อไหร่ข้าค่อยไปก็ยังไม่สายข้ายังมีธุระอื่นต้องทําขอตัวก่อนหลิวเคอเคอร์อทได้เพียงยืนมองโจเจี้นเย่เดินกลับบ้านไปนางกระทึบเท้าด้วยความโกรธแค้นทั้งหมดเป็นพระหลีหวานแท้ๆถ้าไม่บังเอิญเจอเด็กนั่นบางทีป่านนี้พวกนางคงถึงบ้านไปแล้วและคงไม่เปิดโอกาสให้โจจีน้เนเย่ได้เปลี่ยนใจเช่นนี้ โจวเจี้ยนเย่ยคิดว่าเรื่องที่เกี่ยวกับลูกสาวนั้นเขาควรจะไปคุยกับหลี่ชิงผิงให้รู้เรื่องจะปล่อยไปเฉยๆแบบนี้ไม่ได้เขาสงสัยอย่างยิ่งว่าตอนนี้หลี่ชิงผิงคงคุมเสี่ยวหวานไม่อยู่แล้วถ้านาไม่มีเวลาดูแลเขาก็จะดูแลเองเด็กดีๆจะปล่อยให้เสียคนไปแบบนี้ไม่ได้ต้าหยวนตั้งแต่หลี่ชิงผิงตั้งคันเจิ้งอวินชงก็มักจะหาเวลามาอยู่เป็นเพื่อนางมากขึ้นเขากลับบ้านทุกเย็นไม่เคยขาดในช่วงที่นางตั้งท้อง เดิมทีเจ้าชุนฮาวา ย, ยังคิดจะกำชับลูกชายเรื่องนี้ให้ดีแต่เมื่อดูจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เห็นว่าไม่มีความจำเป็นเลยสักนิดเขารู้จักวิธีเอาใจเมียเป็นอย่างดีท้องของหลีชิงถิงเริ่มนูนเด่นชัดขึ้นมาแล้วนี่เป็นท้องที่สามของนางเมื่อเทียบกับสองท้องแรกแล้วนางรู้สึกผ่อนคลายกว่ามากวันๆเพียงแค่กินกินนอนนอนอยู่ในบ้านหักเบื่อนะักก็มีแม่สามีคอยพาออกไปเดินเล่นใช้ชีวิตสุขสบายจนหาที่เปรียบไม่ได้ ทว่าวันคืนอันแสนสุขเช่นนี้ดำเนินไปได้ไม่กี่วันก็ถูกทำลายลงด้วยการมาเยือนของคนจากประกูลหลีแม่หลีชิงผิงจะรู้อยู่แล้วว่าต้องมีวันนี้แต่ก็ไม่คิดเลยว่าจะมาถึงเรือขนาดนี้แม่หลีและพ่อหลีมาพร้อมกับพี่ชายคนโตของหลีชิงผิงทั้งสา ม, มุ่งตรงมายังเขตบ้านพักทหารใต้หยวนทันทีเจ้าชุนฮวาเคยได้ยินลูกสะใยเล่าเรื่องทางบ้านเดิมมาบ้างเมื่อได้พบกับดองจึงเตรียมใจไว้ล่วงหน้าแล้ว สายตาของแม่หลีจับจ้องไปที่ท้องของหลีชิงผิงเป็นอันดับแรกจากนั้นก็มองไปรอบๆลานบ้านที่กว้างขวางและสว่างสวัยก่อนจะไปหยุดอยู่ที่ลูกเคยที่เป็นถึงผู้การหลีชิงผิงสังเกตเห็นสายตาของแม่ตนเองจึงกระแอมไอออกมาท่านแม่พวกท่านมากันได้อย่างไรทำไมไม่บอกกล่าวข้าล่งหน้าสักคำในบ้านไม่มีอะไรจะต้อนรับเลยเอาเป็นว่าพวกท่านกลับไปก่อนดีหรือไม่ไว้ผ่านไปสักพักข้ากับอวิ๋งฉงจะกลับไปเยี่ยมพวกท่านที่บ้านเดิมเองหลีหวาน แม่ของนางคงจะคิดเรื่องนี้ง่ายเกินไปเสียแล้วคนพวกนี้เห็นชัดว่าเตรียมตัวมาอย่างดีในใจของแม่หลีแอบดาลีชิงถิงว่าช่างไม่ได้ความหนีมาเสวยสุขอยู่ที่เมืองจริงคนเดียวโดยไม่แจ้งข่าวให้ทางบ้านรู้เลยสักนิดแถมยังมิกด่าในใจอีกว่านางเด็กคนนี้ช่างวาสนาดีนักใหญ่กับผู้พันแล้วยังหันไปแต่งกับผู้การได้อีกที่สําคัญที่สุดคือผู้การคนนี้ยังเป็นการแต่งงานครั้งแรกเสียด้วยและตอนนี้ลูกสาวนางยังตั้งท้องลูกของเขาอีกค่าตัวของหลีชิงถิงในตอนนี้ย่อมล้าค่าขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตััวนก แม่หลีและพ่อหลีสบตากันทั้งคู่ต่างมองเห็นความในในดวงตาของกันและกันมุมปากกระตุกยิ้มออกมาจริงๆจะพูดอะไรอย่างนั้นพวกเรามาถึงที่นี่แล้วเจ้าจะไลี้ค่ากลับไปทําไมกันพวกเราแม่ลูกไม่ได้เจอกันตั้งนานข้าเพิ่งได้ยินมาว่าเจ้าอยากกับโจเจี้ยนเยี่ได้ไม่นานเจ้าเด็กคนนี้ก็จริงๆเลยเรื่องใหญ่ขนาดนี้กลับไม่ยอมบอกทางบ้านเดิมเจ้ายังเห็นข้าเป็นแม่แท้ๆอยู่หรือไม่ ข้ากับพ่อของเจ้าไม่สบายใจที่เห็นพวกเจ้าไม่ลูกอยู่ในเมืองการตามลําพังเลยคิดจะมาดูว่าความเป็นอยู่ของพวกเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพอเห็นว่าตอนนี้เจ้าอยู่อย่างสุขสบายข้าก็เบืใจเมื่อแม่หลีพูดจบขอบตาก็เริ่มแดงระเรื่อขึ้นมาหลีชิงพิงท่านแม่ของนางคิดจะใช้ไม้นวมก่อนสินะพ่อหลีกล่าวเสริมขึ้นมาว่าชิงพิงข้าจะบอกให้นะเจ้ามันฉันไม่ได้ความจริงจริงตัวเจ้าเองก็ช่างเถอะแต่ยังกล้าพาลูกสาวหนีมาไกลถึงทีงนี้เจ้าไม่กลัวหรือว่าถ้าเจอคนเลวเขาจะถูกลักพาตัวไปทั้งแม่ทั้งลูก ถึงตอนนั้นจะเสียใจก็ไม่ทันแล้วท่านพอท่านแม่ข้าผ่านการไต่ตรองมาอย่างดีแล้วถึงได้ตัดสินใจพาเสียหวานมาที่นี่ตอนแรกข้าไม่ได้ตั้งใจจะแต่งงานกับอวินชงเอาละตอนนี้พูดเรื่องพวกนั้นไปก็ไม่มีประโยชน์โชคดีที่พวกเจ้ามาลูกไม่เป็นอะไรนี่คงเป็นเพราะบรรพบุรุษตระกูลหลีของเราคุ้มครองแท้แม่หลีไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยสักนิสิ่งที่นางสนใจจริงๆคือลูกเขยผู้มัง่งคั่งคนนี้ต่างหากเจ้าคืออวินชงใช่หรือไม่พวกเจ้าสองคนแต่งงานกันเมื่อไหร่ ลูกสาวของข้าใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าไปเฉยๆแบบนี้เลยหรือ